พร ม, มทนาสถารแต่ท่านสาธารณชนทั้งหลายประสูุ์ในวันนี้จะได้พูดเรื่องจุนทีสุดเป็นคำกราบทูลถามของพระรราชธิชดานําพระจุทีต่อพระผู้มีรพระภาคเจ้ามีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ พระเวรุวันกัลันธากะในวาปรปสถานในกรุงราชสุกพระราชธิดานามว่าจุนทีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมโดยปริวัรแล้กราบทูล ถ, ถามถึงเรื่องที่ตนางได้ฟังมาจากสำนักของพระเทระชิวจุนทะซึ่งเป็นพี่ชาย พยทธ่านได้บอกให้เธอทราบว่าบุคคลใดก็ตามที่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นศาสนาที่พึ่งทีลึกและงดเว้นตามบทบัญญัติของศีลทั้งห้ า, หาประการบุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโดยส่วนเดียวคำกล่าวเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ องคมีภระเจ้าได้รับสั่งแสดงไปโดยลาดับเพราบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์มากเท้าสองเท้าสี่เท้าหรือไม่มีเท้าจะทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศพระหันตะสมมาสัพุตตะเจ้าเป็นผู้เลิศคือสูงสุดเหนือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นการเกิดขึ้นของพระหันตะสมาสัพุตตะเจ้า คือการเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์คือกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากการํำลงว้ชนอยู่ของพระอานารสมาสมุภเจ้าของผู้ประโยชน์ต่กลาบการจากไปของคนระดับนี้ก็ทำให้โลกสูญเสียอย่างรุนแรงเ้ืงการที่คนมาจะหนักถึงประวุตธคุณ โดยในญาติที่มีการสวดสิ้เสริญกันนั่นเองว่าแม้พระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอระหังทรงเป็นพระหันตสมาสบุตรโธสตสุรีโสตรูชอบไปพร้อมเองวิชาชนะสัมปันโนทรงสมบูรณ์วิชาได้ะจะเจรณะสุกตเสด็จไปดีแล้วโลกวิถูรู้แจ้งโลกอุตโรบริสธรรมสารติเป็นสารติที่ฝึกคนได้อย่าง ย, งยอดเยี่ยมไม่มีสาติอื่นจะยิ่งไปกว่า สัาเดวะมนุษย์สานังเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานปะกวาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ประกอบด้วยพระธรรมหรือเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมดยการทำใจให้เลื่อนใสมายความว่าการทำใจเลืออเล่อนใสในพระพุทธคุณในระดับนี้นะฮะในระดับของการทำใจเลื่อนใสในพพุทธคุณ หรื อ, องค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตายไปด้วยใจที่เลื่อมใสหรืยใจที่ป่องใสด้วยอํานาจของความศรัทธาเลื่อมใสเหล่านั้นเพื่อสามารถช่วยให้บังเกิดในสุคติได้อย่างด้วยตัวอย่างที่เคยเล่ามาในในพวกวิมานวัตถุหรือในเรื่องพระธรรมบทเช่นมัตตากุณฑลีเทพบุตร ในขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นั้นไม่ได้เคยแสดงตาเรื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยแต่ก่อนที่จะตายแม้อวัยวะมือเท้าไม่สามารถแสดงความเคารพนับถือได้เมื่อได้เห็นพระองค์ก็ทำใจเลื่มสใสคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าตายไปด้วยใจที่ผ่องใสก็มาเกิดในสุคติได้แต่ยิ่งยันทานคนหนึ่งที่ พระโมคลลนะได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเอ็นยิงยันทานคนหนึ่งแก่มากแล้วก็ป่วยหนักตัวสั่น ง, งันงกกำลังจะตายพระโมคคัลลานะก็เดินไปใกล้ๆยันทานคนนั้นแหละบอกปวยยายพระพุทธเจ้ากำลังเดินไปขา้างหน้ายายทําใจเรื่อมใสแล้วก็พดมมือแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า การนำใจเรื่มใส่โดยเหตุเพียงเท่านี้ก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่คุณยายเป็นนั้นมากหญิงชราคนนั้นก็ทำตามแล้วก็ตายไปในขณะนั้นโดยจิตใจที่ผ่องใสก็ได้บังเกิดในสุคติประเด็นตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของความผ่องใสาภายในจิตก็อยู่ในเงื่อนไขของพุทธภาสิต ท, ที่ทรงแสดงว่า เม่จิตองแพ้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุกติเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในทุกติแต่เงื่อนไขตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีบุญมีกุศลมากพอมันก็คงจะอยู่ในสุกติระยะสั้นๆแต่ในสุดก็ต้องชดใช้ผลกลับก็ทำนองเดียวกับเรื่องของ ประวัติของเคโอโกสากะเทพบุตรในชาติบางก่อนที่ท่านเกิดเป็นชาวบ้านชื่อโกตัวลิกแล้วก็ประสบทุกพิกภัยรุนแรงหิวโหยมาในในหนทางด้วยความทุกข์ยากลำบากมากก็ไปแวะเห็นที่บ้านของนายโกบาลเลี้ยงอาหารอย่างดีแก่แม่สุนัดนึกน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองที่ว่า มันลำบากจากเห็ยนยิ่งกว่าสุนัขเองก็เกิดเป็นสุนัขยังดีกว่าตัวเองแลยก็ตายไปด้วยใจที่มีความพอใจในเพศของสุนัข ก, ก็เกิดเป็นลูกสุนัขหันจะเกิดเป็นลูกสุนัขแล้วก็มีใจผูกพันในรประพเจ้าพุทธเจ้าทีตามรับตามส่งรระพเจ้าพุทธเจ้าซึ่งมาชันที่บ้านในกบายู่ ต่อมาเมื่อพระประเจรพุทธเจ้ากลับไปสู่ภูเขาคันธมาต์เธอก็เห่าขอนส่งเสียงด้วยความอะไรในใจที่เลื่อมใสในพระพเจ้าพระเจพุทธ้าก็ตายบังเกิดในสุกติเป็นโคสะกะเทพบุตรมีเสียงก้องเสียงไพเราะเสียงก้องและเสียงดังมากเจ้เป็นบุญที่ท่านอุปมาดีท่านบอกว่าเหมือนกับเอาข้าวเปียงหนึ่งธนานใส่ไปในฉางหลวง ดุสานวันใหญ่โตหม่าวลานแต่เข้ามีอยู่เพียงหนึ่งทนานใส่ไว้มันก็ดูมันไม่มีอะไรมันบุญกุศลเหล่านั้นแม้จะตายไปด้วยจิตที่ผ่องใสแต่ว่ามันบุญน้อยไม่เท่าไรก็ต้องตายจุติมาเกิดในโลกมนุษย์และประสบผลกรรมที่เกิดจากการเคยทอดทิ้งลูกตัวเองให้ตายในหนทางในชาติสี่เป็นนายโกตัวลิก ก็ถูกคนอื่นก็ไปทิ้งตั้งเจ็ดครั้งเจ็ดครากว่าจะผ่า น, นผลบาปผลกรรมเหล่านั้นมาได้นี่ก็ทรงแสดงระดับระดับที่ทําใจเริ่มใสจำใจเริ่มใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือในองค์พระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ในสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเจ้ากล่าวถึงคนที่ไปบูชาพระเจดีย พอเห็ยนยอดเจดีก็เจอเกิดสถาเปี่ยมล้นขึ้นเดินขาดความระมัดระวังตก ง, งูกัดตายด้วยใจที่เหนียวนึกถึงพระเจดียอันเป็นที่บรรจุปรรมสาริกาธาตุของพระพุทธเจ้าก็าบังเกิดในสุคติได้ตรงนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นเงื่อนไขยอยู่ที่จิตผองใสในขณะนั้ น, น, น แต่ในงแง่กระบวนการของกรรมอย่างที่เราเคยพูดมาก็คือเป็นกกตะเอเป็นอาสันกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายตบุญบาปต่างๆในอดีตก็ยกไว้ก่อนนะฮะจะให้ผลในจุดนั้นคือก่อนจะดับจิตอีกระดับหนึ่งก็คือการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณจนเกิดเป็นจิตานุภาพ ที่มีความมันเกิดความเชื่อมั่นในพระรพุทธคุณอย่างแรงกล้าก็อ่อให้เกิดผลเกิดนานิสงเป็นนั้นมากทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าอย่างที่ท่านเล่าถึงเด็กลูกบาศกที่เมืองสาวัตถีไปเล่ น, ไ ป, ลนไปเล่นเ็าเรียกเล่นครุบเล่นอะไรมาได้แข่งกับเพื่อนที่เป็นลูกของ ศาสนินอสสนิสลามนด้คนนี้ภาวนาน้โมทุกครั้งที่ทำอะไรก็ตามแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกครั้งวันเกเร่เล่นขุกขลุกชนะไอ้ลูกของศาสนิกนอกศาสนาเห็นข้าวก็เกิดสนใจเกิดสถานเลื่มใสในน้โมว่านหโมด้วยทุกครั้งแกก็ว่านห้โมจนติดปาก วันหนึ่งเธอไปค้างอยู่ที่ป่าช้าก็ไปหาปืนกับพ่อแล้วโคมันหลุดออกไปออกตามโคเข้าไปค้างอยู่ในเมืองออกมาไม่ได้ลูกชายก็ต้องนอนกลางป่าคนเดียวพร้อมนึกเกวียนก็ถูกยากมาเบียดเบียนแต่ก็เบียดเบียนไม่ได้เพราะว่าเด็กภาวนานโมยอยู่ตลอด จน เ, เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์พวกยักษ์ก็อาหารไปเลี้ยงดูเด็กแล้วก็ตั้งการรักษาเด็กไว้เรื่งทราบไปถึงพระมหากษัตริย์น้องกราบไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสัง่งยืนยันในเรื่องนี้นทิ่งแรหนึ่งก็คือระดับของการนำมภาวนานำมาบริกรรม จนจิตใจสงบอยู่ที่กับพระพุทธคุณทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจมีความสงบมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าสงบระดับถึงเป็นฌานก็แน่นอนว่าถ้าฌานยังไม่เสือ่อมก็จะบังเกิดในสุกติได้ติดับเดิงก็คือการนำเอาพระพุทธคุณเหล่า น, นั้นมา พ, นพิจารณา จนจิตใจเกิดสถาปะสาทะมีความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนน้อมนำประวุติคุณเหล่านั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนเ็นบ่ามีความประทับใจในบทว่าอารหังก็พยายามที่จะสัมผัสคุณเหล่านั้นในดับที่ตนสามารถสัมผัสได้ เช่นอหังที่อะหังที่แปลว่าหักกรรมแห่งสงสารไจักก็พยายามปฏิบัติลดละวิชาตนาวปาทานกรรมพูดง่ายๆว่าลดละกิเลสให้ลดน้อยถอยลงไปเมื่อกิเลสก็ลดลงไปกรรมก็เป็นกุศลมากขึ้นก็ทำให้สาสังสารวัติเน้นหดสั้นเข้าที่เรียกว่าใกล้ต่อมาผลนิพพาน มากยิ่งขึ้นการบัดระดับนี้ก็จะแน่นอนว่ามันมีผลประนีกว่าประเภทแรกเพราะว่าสามารถปฏิบัติตนในผสมกลมกลืนกับคุณของพระพุทธเจ้าในบทนี้อย่างที่เคยพูดไว้ในมหาสมาเยสุตเป็นการกล่าวเป็นคำกล่าวของท่านอาาณาคามีพรม คือพระนาคามีที่นั่นตายบังเกิดเป็นพรหมและมังฝ้าพระพุทธเจ้ามายืนยันสัจธรรมเหล่านี้ว่าเยเกจิบุทังสนังกาตาเซชนทั้งหลายเราได้หล่นหนึง่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่เราลึกถึงคนเหล่านั้นจากเมเตคมิสันเดียปายภูมิงจนเหล่านั้นจกักไม่ไปสู่อภยเลย อายะมานุสังเดหังเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วเดวะกายยังไปรีุเรีสสันติจะทํากายที่เป็นเทวดาให้สมบูรณ์คือกําเนิดของเทวดานั้นเป็นโอปปาติกะกําเนิดคือเกิดผุดขึ้นแล้วก็เป็นบินยูชนไปเลยท่านจึงเรียกว่าทํากายเทวดาสมบูรณ์หมายความว่าไม่ต้องผ่านการเป็นถารกแต่เกิดปั๊บก็โตเป็นบินูชนไปเลย แล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำใจให้ถึงพระพุทธเจ้าจะ ต, ต้องเป็นการถึงด้วยใจไม่จะถึงเพียงรูปแบบไาถึงด้วยใจที่มีความประนีตขึ้นไปในตอนต้นๆมันก็มีภาษาทะต่อมาก็มีศรัทธาที่มั่นคงขึ้นแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นจนสามารถปฏิบัติตนในะสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้า ตามที่เราสามารถจะกระทาได้แตน้อยก็อยู่ในระดับที่ปิดประตูอบายคือปิดประตูนรกได้ก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ประการต่อไปก็คือเรื่องของพระธรรมธรรมานั้นทรงเน้นไปที่ตัววิราคะวิราฆะก็คือจิตที่ปราศจากความกำหนัด มายความองค์ธรรมข้อเนี้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจจะท า, าให้จิตใจของบุคคลปราศจากความกำหนัดในวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายไม่มีการกำหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องเมื่อไม่มีการมราคาก็ไม่มีโทสะและก็ไม่มีโมหะอาการโทรเหล่านี้เป็นอาการที่เนื่องถึงกัน เมื่อไม่มีอย่างหนึ่งก็เื่อบาทอย่างหนึ่งก็ไม่มีตามไปด้วยการทาใจเคารพนับถือในพระสัษธรรมก็คือระลึกถึงคุณประธรรมดังกล่าวอย่างที่สวดสาธยายเหมือนกันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระธรรมคุณแม้จะมีเพียงหกบทแต่สแสดงอะไรไว้มากมายในบทพระธรรมคุณเหล่านั้น บรกว่าสวาสขาโตกับอาการลิโกเป็นการแสดงสภาวะของธรรมะหรือสถานะของธรรมะว่าเป็นธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่มีคำว่าทันสมัยไม่มีคำว่าล่าสมัยในด้านขององค์ธรรมในด้านของผล แต่วในด้านของกา ร, รประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องแก่เกณี์เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมตรงธรรมที่ทรงแสดงบางครั้งมันก็มีแค่ข้อเดียวบางครั้งก็มีสองข้อสามข้อแต่จะกี่ข้อก็ตามคือเท่านั้นหมายความมาสมบูรณ์แล้วทั้งโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะ อย่างนี้เคยบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าเวลาทรงแสดงธรรมะน้อยๆข้อนะจะทรงกระชับที่การประพฤติปฏิบัติจะยกตัวอย่างเอาวาทปาติโมกทรงแสดงแค่สามข้อสัพปะปะปะสัสสะกระนังการไม่ทําบาปทั้งปวงคือใช้คาว่าทั้งปวงซึ่งแสดงว่าแม้ยังมีบาปอยู่เพียงนิดหน่อยก็ไม่ได้ กุศลสูปประจำปดาคือทากุศลให้สมบูรณ์ส่งใช้คำว่าสมบูรณ์ถ้ายังบกพร่องนิดหน่อยก็ไม่เอาสติตาประโยชน์ปัณนนังทําจิตได้พองแข้วมีคุณมัวเศร้อมองนิดเดียวก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้คำเพียงสามคำจริงแต่กระชับแต่แนวของการปฏิบัติจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะจึงรับรองผลอย่า ง, างนีน้มันคล้ายๆกันเราจะพูดถึง การไปในจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเราบอกว่ากิโลที่หนึ่งร้อยสถานที่นั้นตั้งอยู่กิโลที่หนึ่งร้อยเราไปร้อยหนึ่งก็ไม่ได้นะครับไปเก้าสิบก้าก็ไม่ได้ต้องไปกิโลที่หนึ่งร้อยจึงจะเรียกว่าถึงพอดีถ้าไปร้อยหนึ่งก็เลยไปและเก้าสิบเก้าก็ไม่ถึง วันอย่างที่ทรงแสดงไว้ในโอค่าตลอดสุตรี่วดามากราบทูลถามว่าพระองค์เนี่ยทรงข้ามโอค่าได้อย่างไง ร, รับสั่งว่าเราไม่ไม่หยุดอยู่ไม่พยายามและข้ามโอคะได้วังดูค่อนข้างเป็นปริสนาไม่หยุดอยู่ด้วยและไม่พยายามด้วยจึงข้ามโอคะได้หมายความว่าในขณะปฏิบัติจนกว่าจะถึงเนี่ยไม่หยุด พอจะหยุดก็ช่วไม่ถึงจะมาถึงแล้วก็ไม่พยายามเดินต่อไปพอจะคื้นเดินต่อไปก็เลยเลยจุดหมายปลายทางที่จุดถึงจึงทรงใช้คำที่ค่อนข้างเป็นปริศนารรมว่าเราไม่หยุดอยู่ไม่พยายามถึงข้ามโอกาสได้เพราะธรรมะโดยสภาวะที่ทรงแสดง แต่กี่ข้อก็คือเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปบุ่นหวาดกับท่านเห็นยกตัวอย่างว่าทรงแสดงพระมิหารสี่ประการเป็นการแสดงในแนวของภาวนาหมายความมาเพิ่มจุดนี้ขึ้นเพิ่มเมตตาต่อคนราสัตว์ทั้งหลายคือต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพิ่มกรุณาต่อคนที่ประสบความทุกข์คนสัตว์ที่ประสบความทุกข์ทั้งหลาย เพื่อมุทิตาในคนสัตว์ที่ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทำใจให้อย่างลงในกฎของกรรมเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นประสบผลกรรมของตัวเองคือสอนในแนวของภาวนาจะเห็นว่าในภาคปฏิบัติโจทย์จะทรงสอนในใ น, ในแง่ของเมตตาเป็นหลัก เราจึงได้ยินคําว่าโลโกกธรรมทกาเมตตาแปลว่าเมตตาเป็นธรรมคําคจุนโลกท่านหลายจะเห็นว่าเมตตานั้นที่จริงเป็นอโทสะคือการไม่ปฏิสรุรายหมายความมาคือไม่โกรธแต่จริงแล้วเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะขจัดความสิเนหาความรักที่เจือด้วยอํานาจของความใครท่ที่เราเรียกว่ากาพารัก คนเมตตาจะไม่สนใจรูปสวยรูปไม่สวยหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยไม่สนใจแต่สนใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเพื่อนรูปทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเท่านั้นเองวราลักษณะของเมตตาจึงไม่เหมือนความรักความรักจะต้องเจอะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจะต้องถ้าไม่อย่างนั้นไม่ชอบแต่เมตตาไม่เมตตาจะเป็นสากลไม่ได้สนใจว่าวาจะเป็นอะไร ขอให้เป็นคนเป็นสัตว์เราก็มีความรู้สึกที่เป็นเมตตาเมตตาจริงๆจึ ง, จ ง, จงไม่เจือโดยการมาราคะไม่เจือด้วยความรักไม่เจือด้วยความรักในฐานะที่เป็นครอบครัวแต่เป็นความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนเหลนะ่านั้นมันก็จัดโทสะาาก็จัดพยาบาทขาจัดความมาคาดมาดไรต่อคนที่เราเมตตาได้ ซึ่งในกระแสของพรหมิหารเองพอคนที่เราเมตตาประสบความเดือดร้อนเราเกิดกรุณาในการุณานั้นเองมันจะขจัดโสกะคือความโศกกับขจัดวิหิงสาคือความคิดเปลี่ยนไปและพอคนที่เราเมตตาประสบความสําเร็จความจเจริญก้าวหน้าโดยจะเกิดมุติตาเองจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จะมีครอแมวพลังของเมตตาต้องมากถ้าไม่มากจะมีความริษยาแข่งดีกันเองแม้ในหมู่พี่น้องแม้แต่หมู่เพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบางทีสามีกับพัญยายังไม่ขคยยอบกันนั่นแสดงว่าจิตใจไม่ได้มีเมตตามากพอพถึงจุดหนึ่งมันปรับใจไม่ได้แต่ถ้ามีมากพอแล้วก็ขจัดความริษยาได้ ก็กลายเป็นมุติตาแล้วก็ไม่ต้องการจะมีผลประโยชน์อะไรจต่ความเจริญก้าวหน้าของคนเหล่านั้นเราได้เห็นเขาเจริญก้าวหน้าเราก็ภาคภูมิใจเราก็สุขใจเราก็ดีใจอะไรกันีอะไรก็ตามที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ทําไม่ได้นอกวิสัยแต่คืนทําไปเราก็ผิดมากยิ่งขึ้นใจจะอยู่ที่อุเบกขามาความเรื่องนี้ช่วยอะไรไม่ได้ก็จะประสบความทุกข์จริงเลยช่วยอะไรไม่ได้ เราก็ทำใจเป็นหนุเบเกาได้เมตตาไปแล้วไม่เป็นไปทำเรี่ต้องการก็ทำใจเป็นหนุเบเกามู่ตาไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่ดำรงในสมบัติตามที่เราคิดขวัญ น, น, นันานพอแม้เราจะพยายามช่วยโดยกรุณาแต่ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องทำใจเป็นหนุเบเกาเพราะหุเบเกาจึงเป็นฐานใจเป็นหลักใจ ที่จะขจัดอคติออกไปทีนี้เราประเด็นว่าในอคตินั้นที่จริงคือโลภะโสสะโมฆะแล้วก็เมตตาเองก็ขจัดพยาบาทก็จัดความรักกรุณาเองก็จัดความมิหิงสาความโศกมุทิตาขาจัดความต้องการมีส่วนร่วมขจัดความริษยาถ้าไม่ได้พูดถึงกิเลสแต่เมื่อธรรมะเหล่านี้เกิดอีกกิเลสเหล่านี้มันซึสงบไปเอง มันเป็นวิถีแบบธรรมชาติเพราะงั้นเป็นคําสอนที่ส่งแสดงไว้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มท่านไปห้าข้อทุกท่านสงแสดงที่ไหนก็มีแค่สี่ข้อเท่านั้นเด็กถ้าเป็นปรมวิหารถ้าเป็นหน้าปัญญาก็ว่าแค่สี่ข้อแต่เวลาทรงเน้นหลักการปฏิบัติสรงเน้นเพียงข้อเดียวคือเมตตาเพราะถ้าเมตตาได้แล้วยังอื่นมันเกิดได้เพิ่มปริมาณเมตตาให้มากแล้วกัน เรามองคล้ายๆกับไปลดละกิเลสประเภทโทสะอย่างเดียวแต่ลองสังเกตว่าคนที่เราเมตตาเนี่ยเราสามารถจะสละให้ปันจะแจกแบ่งเข้าของเงินทองแกคนเหล่านั้นได้หรือคือคุณคนเหรานั้นได้แสดงเมตตามันกระจัดความสนิท ด, ด้วยกระจัดความผวงด้วยกระจัดความโลภด้วย และด้วยใจที่เมตตาจริงๆนั้นแม้คนนั้นจะสวยยังไงจะหล่อยังไงใจจะไม่เกี่ยวเกาะด้วยหน้าของราคะแต่จะมองด้วยความเมตตาความบุ่งดีปรารถนานี้นดีต่อเขาแสดงเมตตานั้นไปลดที่ตัวราคะรถที่ตัวโลภะรถที่ตัวโมหะได้ด้วยมันจะเป็นคำสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วโดยผล โดยองค์ธรรมนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการแต่การปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติให้เหมาะควรแก่การความหมายว่าให้เหมาะควรแก่การล่แก่เทศะแกะ่กลุ่มคนแก่บุคคลแก่กรณีนั้นๆคื่ทรงอุปมาเหมือนกับยาที่เราจะต้องใช้เ ห, หมาะสมสอดคล้องแก่สมุธฐานโรคอาการของโรคสมุฐานแรงยาก็ต้องมากหน่อย สมุธานไม่แรงอาการไม่แรงยาก็ต้องน้อยหน่อยแล้วกามาใช้เป็นคือปฏิบัติธรรมะเป็นก็ที่เรียกว่าเอปัสสโกเป็นลักษณะของพระปริยติสัทธรรมคือเชิญชวนจักชวนให้คนทั้งหลายน้อมจะถทบ ม, มามาศึกษามาพินิตพิจารณามาค้นคว้า มาวิเคราะห์วิจัยธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติทดลองดูคือโอปะนียโกให้น้อมนำมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดผลที่เป็นธรรมคุณอีกสองข้อคือสันทิติโกคือผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองปัจจต่างมิถะโปวินญูชีวินวช น, นจะรู้ได้เฉพาะตนวาะการทำใจเรื่มใสในพระธรรม โดยการทำใจเรื่องใสมีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมที่เรียกว่าสัตวถุกุรุธรรมคารุมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้ามีความเคารบหนักแน่นใ น, น, นพระธรรมให้ความสําคัญแก่ธรรมะทั้งในเรื่องของการศึกษาในการพินิจพิจารณาการลงมือประพฤติปฏิบัติให้ความเคารพให้ความจำเกรงต่อพระธรรมะ เธอเห็นว่ารูปแบบที่ท่านถือปฏิบัติเจ็นว่าพระเวลาจะกล่าวธรรมะจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้บริสุทธิ์าแล้วก็กล่าวธรรมะด้วยจิตใจที่มีความเคารพธรรมะผู้ฟังเองก็ต้องปรับใจให้พร้อมที่จะฟังธรรมะ จะศึกาธรรบางศ า, ศาสนานั้นเคร่งครัดมากอย่างศาสนาอิสลามเนะี่ยคำพี่อันกุลอานเนี่ยก็จะห่อผ้าเก็บไว้อย่างดีบนที่สูงก่อนจะจับจะต้องนั้นต้องชำระร่างกายชำระล้างมือให้สะอาดจึงจะจับจะต้องอักษรที่จดรึกคัมภีรเป็นความเคารพที่หนักแน่นในพระธรรมอย่างผู้จ่าจเองทรงแสดงเป็นตัวอย่าง ตอนศัตรูใหม่ๆก็ทรงพิจารณาว่าองค์นั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดเนื้อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแต่การอยู่โดยไม่มีที่เคารพยึดเหนี่ยวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วพระองค์ควรจะรเคารพยึดเหนี่ยวใครเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ทรงให้ความสำคัญแก่พระธรรมพระพเจ้าก็เคารพธรรมเวลามีการกล่าวธรรมมีการแสดงธรรมของพระสง์ พุทเจเสด็จผ่านไปได้ยินเข้าก็จะประทับอยู่ตรงนั้นในที่ที่ได้ยินนั่นเองจะไม่เสด็จเข้าไปในที่ของการกำลังแสดงธรรมอยู่เพราะหากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปแล้วคนเหล่านั้นจะลุกขึ้นเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าอันเป็นการไม่เคารพต่อพระธรรมพระพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญแก่พระธรรมเพราเหนือกว่าพระองค์ การทำใจเรื่มใสในพระธรรมแม้แต่ด้วยการฟังอย่างที่เคยเล่าเรื่องเรื่องข้างข่าวอยู่ในธรรมพระท่านศึกษาวิธรรมในสาธยายพิธรรมในข้างข่าวนั้นฟังด้วยความรู้สึกจะเรียกว่าธรรมสัญญาหรือกำหนดวัวนี้คือเสียงธรรมต่นนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไร ใจก็สงบโน้มน้อมก็หาธรรมะจนผสมกลุ่มกลืนกับธรรมะแล้วก็หลับก็ตกลงมาตายหมดเลยตายด้วยใจที่ผ่องใสก็บังเกิดเป็นเทพระบุตรต่อจากนั้นก็มาบังเกิดเป็นบุตรของชาวประมงแล้วก็ไปจับปลาที่เคยเล่าเรื่องปลาปิงคีย ที่มีกลิ่นปากของอ้าปากแล้วกลิ่นเหม็นกลบไปหมดเลยเปนปลาผิวสีเป็นทองพระเจ้าทรงแสดงบุปกรรมของปลาเหล่านั้นให้ฟังภูมานพเหล่านั้นเกิดสลดทุกใจในชีวิตของคนเลยออกบวชหมดเอาบวชต่อมาก็ได้ฟังอภิธรรมชุดแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ พระนางสิริมหามายาที่เป็นเทพระบุตรอยู่นดาวบันดึงแล้วก็มาถ่ายทอดให้ประสาริบุตรฟังประสาริบุตรก็นำไปแสดงแก่ท่านเหล่านี้ตอนนี้โดยพื้นฐานนี่คือฟังอภิธรรมมาในสมัยที่เป็นข้างข่าวก็ได้บรรลุพักผลเป็นพระยาบุคคลนั้นแสดงให้เห็นถึงว่า การฟังของในชาติที่เป็นข้ า, ขาวที่จริงเป็นธรรมสัญญาเฉยๆวันนี้คือเสียงของธรรมะเท่านั้นเองไม่รู้อะไรจะอย่าลืมม่าใจมันสงบใจสงบใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับเสียงวันการตายจึงเป็นตายด้วยใจที่ผ่องใส แล้วไม่เจาะจงไว่าใจมนุษย์หรือใจสัตว์คือต้ององใสมันก็ไปมันเกิดในสุกติได้ก็เปลี่ยนพบชาติก้าวพรวดข้ามขั้นอย่างใล้เยๆกับสุนัขที่เล่าไปแล้วสุนักที่เห่าหอนส่งโรปรเจกับพุทธเจ้า ก, ก็ตายด้วยใจที่ผ่องใสครั้งคราวนี้ก็ตายด้วยใจที่ผองใ ส, งนใ จ, งใสจนถึงกับนำธรรมะม า, ศ า, ศ า, ยายสาธยายท่องบุญสาธยายธรรมะ บางที่ก็เป็นเรื่องของความสงบ ก, การสารยายธรรมะนั้นก็ทําให้ใจสงบอยู่กับองค์ธรรมกายเราก็สุดจริตวจาก็สุดจริตใจก็เหนียวนึกถึงองค์ธรรมก็แสดงว่าในขณะนั้นก็สุดจริตครบทางกายวยจาใจความผ่องแผ่วความสงบ ก, ก็เกิดขึ้นภายในใจถึงจุดตึงก็น้อมนาธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่วิราคะคาว่าวิราคะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นวยพจน์ของนิพพานเรียกชื่ออะไรก็ได้นะฮะในที่นี้ทรงใช้คำว่าวิราคะหมายความว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์คล้ายๆกับการเจริญกรรมฐานที่เราเรียกว่าอุปสมานุสติ หรือการเจริญกรรมาฐานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์มิธามันอยู่ไกลเราก็น้อมใจเพื่อสู่จุดหมายปลายทางนิพพานเดีเหมือนกับจุดหมายปลายทางเราพยายามที่จะไปถึงให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ใจก็จะมุ่งมั่นจะรำลึกถึงจะพยายามทําตนให้มีธรรมะอยู่ภายในใจ จนถึงจุดนี้เราจะพบว่าท่านจะใช้คำคำว่ามีธรรมะมีเมตตา ม, มีกรุณา ม, มีหิมีหิริมีขันติมีสติจะใช้คำว่ามีหมายความว่าเราน้อมนำธรรมะมาอยู่ภายในใจจนใจเรามีธรรมะจะพูดจะทำจะคิดก็ด้วยจิตที่มีธรรมะการพูดการทำการคิดจึงเป็นไปด้วยกระแสของธรรม ในตรงนี้เองที่ทำให้ท่านได้สัมผัสธรรมะลึกซึ้งขึ้นแล้วสะท้อนออกมาได้เป็นรูปธรรมคนอื่นสัมผัสได้กลายเป็นสัตว์ประหลการพผู้สงบก็ขึ้นไปในระดับต่างๆในข้อ น, นี้พระโบราณอาจารย์ได้ผูกเป็นคาถาเดียวกันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดิมนิดหน่อย โยเยเกยิธรรมมังสนังกาตาเซนเตขมิสั้นเดียปายาภูมิงปะหายะมานุสั้งเลหังเดวะกายังป ร, ริเรสันติเหมือนกันโดยชนทั้งหลายเราใดเ่าหนึ่งถึงซึ่งพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยเพราะร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักจังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏแต่ประเด็นสาคัญในที่การคําพถึง คำว่าถึงนั้นคือการที่เราไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่ที่เราเรียกว่าถึงเช่นถึงห้องถึงบ้านถึงวัดถึงเรือนตัวเราก็ต้องอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่ที่เราเรียกว่าถึงเรื่องการถึงพระธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าใจเราจะต้องสัมผัสพระธรรมระดับใดระดับหนึ่งจึงได้ชื่อว่าถึงพระธรรม เมื่อถึงประธรรมแล้วประธรรมก็จะเป็นที่พึ่งเชิ่ลึกประธรรมก็จะให้การคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในชิ่ชั่วซึ่งจนทร ง, สงสแสดงโดยเป็นรูปธปรรมว่าประธรรมยังรักษาผู้ปฏิบัติเมื่ร่มใหญ่ป้องกันคนแม้เปรียบฝนในยามที่ฝนตกแสดงว่าธรรมะนั้นต้องมี มันก็ร่มเราต้องมีแล้วเราต้องกั้นร่มเป็นไม่จะถือว่าเฉยๆระวังไว้เฉยๆหรือหนีบปักแะไว้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่อไปพูดถึงเรื่องของการถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคคลอันเลิศหมายถึงว่าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรต่างใ น, นระสัสันเริน น, นะครับ จะเห็นว่าเนื้อหาตัวนี้เป็นเนื้อหาหลักของความเป็นพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะผสมกลมกลืนประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างพระพุทธเจ้าประทำประสง แ, แม้แต่พุทธบริษัทที่เป็นเครือส่า ก, ก็เหมือนกันหมายความว่าการปฏิบัติตามพระธรรมของพุทธบริษัททุกฝ่ายไม่ได้จอจงเฉพาะเป็นพระนะครับ คือบางทีประเด็นเนี่ยเราเราลืมมองในยานี้ไปในที่ต่างๆคือพบท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านพูดในํำนองคือใายกับพระที่แย่มากๆนตอนนี้คือถ้าไม่ได้นึกไม่ได้นึกเลยนะว่าพระก็ไม่ใช่มาจากต่างดาวมันก็คนคนที่มีวุฒิภาวะก็พอๆกันไห้วาทีอาจจะต่ำกว่าโดยเฉลี่ยแล้วความรู้พระที่บวชในต่างจังหวัดเนี่ยความรู้ก็น้อย นิ่งๆเลยเพื่อนรักษาศีลเพืดอเดียวทั้ง205 227ขอ้อถ้ษาได้บ้างไม่ได้บ้างจะเอาอะไรกันนักหนาไอ้ที่เราวุฒิภาวะดีกว่าท่านอายุนามก็อาจจะมากกว่าท่านรักษาศีลแค่ห้าข้อก็ยังอีหลักเหลือเต็มทีคือเราเราดูก็เทียบกันคนด้วยกันนะ่นะฮะคนด้วยกันอยู่มาจากครอบครัวดเดียวกัน มาจากสังคมเดียวกันมาจากระบบครอบครัวสังคมการศึกษาเดียวกันแล้วก็มีความยิ่งความหยอนเพราะเราจะเกณฑ์พูดพลาดให้ท่านเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของชุดแรกเนี่ยท่านเรียกว่าพยายามปฏิบัติให้ดีพยายามปฏิบัติให้ตรงพยายามปฏิบัติให้สมควรพยายามปฏิบัติให้เป็นธรรม แต่คนที่ปฏิบัติได้สมบูรณ์จริงๆมันก็กลายเป็นประยะบุคคลเพราะในเราสังฆังสนังกฉามีที่จริงแล้วเราถึงพระอริยสงฆพระสงฆ์เองก็ว่าอย่างนั้นพระสงฆ์เองก็ถึงพระรยสงฆ์ตาเดงก็เพียงแต่ผู้พยายามปฏิบัติเพื่อให้ตรงตามหลักของพระธรรมปีติไเบื่อดีคืออะไร การปฏิบัติที่เรียกว่าดีเนี่ยหมายความว่าเป็นการปฏิบัติที่มีการลดละกิเลสลงไปมากน้อยก็ไม่รู้ก็ถือว่าดีแล้วกันแต่ให้ลดลงไปถ้าไม่ลดก็ถือว่าไม่ดีถ้าเพิ่มยิ่งไม่ดีใหญ่แล้วก็ปฏิบัติที่ไม่เป็นข้า่อกใค ร, ใคร คือคนอาจจะคิดว่าเราเป็นฆาตศึกนั้นก็ช่วยไม่ได้แค่พระพุทธเจ้าเองคนมองไปลงเป็นฆาตศึกเยอะแยะไปแต่ลงไม่เป็นฆาตศึกกับใครๆอย่างที่รับสั่งว่าเราไม่ทะเลาะ ก, กับโลกแต่โลกมันทะเลาะ ก, กับเราเองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะการปฏิบัติที่จริงมันควบคุมเฉพาะตัวเราเท่านั้นเองแบบไปแก้ไขคนอื่นความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นในรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ ทำให้เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อควบคุมตัวเองก็ทํำยังไงว่าให้มันเราไม่คิดที่เป็นฆ่าสึกกับใครคนอื่นนี่คิดเป็นฆ่าสึกกับเราหรือการกระทํานี่เป็นฆ่าสึกกับเราก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แล้วถ้าเขาทาเราขย่าโู้ตอบอย่าประทุษร้ายแล้วกัน มีการปฏิบัติที่ขัดเกลาวมีการปฏิบัติที่มีเกณฑ์กำหนดเทียบเคียงด้วยองค์ธรรมว่าดีตามธรรมะเหล่านั้นหมายความว่าดีนี่มีเกณฑ์ในการกาหนดว่าดีคล้ายๆกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งหลายที่เรากำหนดกันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เข้ามา ก็เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับกันได้เป็นสากลการตรงก็เกี่ยวกับคนก็ทั้งต่อหน้าได้รับเกี่ยวกับตัวเองจะเป็นความตรงตัอตัวเองไม่หลอกตรงตัวเองกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนนั้นว่าไว้ยังไงก็ปฏิบัติตรง n g ไปตามนั้นแล้วจนปฏิบัติที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสูงที่เรียกว่าเป็นธรรม โดยเนื้อหาที่สมบูรณ์ก็เป็นพระนาคามีหมายความว่าการละกิเลสนั้นเห็นได้ชัดเจนมากแล้วจนเป็นนายเหนือกิเลสโดยนิยัดหนึ่งคือหมายความมากิเลสหมดโดยนุญัดหนึ่งหมายความว่ามีแต่ว่าเราคุมได้ควรโกรธไม่ควรโกรควรร่วมนาคแก่โทสัตโลภอะไรต่ออะไรหรือไม่นราควบคุมได้ เป็นการปฏิบัติที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเต็นมหาสงค์คือหมู่คณะที่ใหญ่ด้วยคุณสูงด้วยคุณทำความดีเพราะนั้นการทำใจเลื่อมใสในลักษณะนี้โดยจะว่าเอาจริงมันก็มันก็เดินเหมือนกัน เดินด้วยอะไรคือเดินด้วยการทำใจเรื่อมใสเรื่มใสในแนวอะไรการพบเห็นส ม, มณะเป็นุดมมงคลส ม, มนานันจะรักสนั่งอิตตะมังกาลมุตตะมังเมื่อเห็นก็ทำใจเรื่มใสทำใจผ่องใสซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ต้องไปติดใจอะไรมาก เป็นว่าเป็นผู้ทรงรงชัยของพระอรัต์แต่คิดมากบางทงอาจจะยุง่งเพราะภาพของบุคคลหรือเรื่องราวต่างๆในจิตของเรานั้นมีอยู่มากเ๋ยาถือประเด็นนี้คล้ายๆกับปยาช้างที่นายพรานขโมยจีวรพระปัจเจกัพพุทธเจ้าไปคลุมแล้วก็แพงทอง หรือจะจับจับแล้วจะฟาดลงให้ตายแต่นายพรานก็แสดงผ้าการสัมพัญที่เก็คลุมอยู่ทั้งทงนี้ไม่ใช่ของแกช้างก็ถือว่าเห็นแก่ผ้าการโพัทซึ่งเป็นคนปฏิบัติที่ไม่เป็นศัตรูกับใครๆแต่ก็ไม่ประทุษร้าย นั้นก็ถือว่าระดับระดับพื้นๆคือทำใจเริ่มใส่ประการต่อไปคือทาใจที่กรอบด้วยเมตตาที่ทรงสอนทางเมตตากายกรรมมรจิกรรมมโนกรรมคือจะทำอะไรก็ตามจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ทำพูดคิดด้วยเมตตายู่พร้อมที่จะรอคอยให้อาภัยอดกด อย่างภาพของพนางมาริกาเทวีกัปพเจ้าปเสนนิโกศน์คือมองมาทางช่องพระแกลเห็นีิสุชาปักขีไว่ายน้ำเล่นเล่นในแม่น้ำมจิรวันตีพระเจ้าปเสนิโกศล์ขนาดเห็นอย่างนั้นเน่ยแล้วยังบอกพนางมาริกาว่านี่เธอมาดูฝา้าร้านของเธอกำลังว่ายน้ำ นางมณิกาพอเห็นข้าวก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคงยังไม่ได้ห้ามปราบก็ยังไม่กักว่ากาวตักเกิดก็ไม่ได้ว่าอะไรเนื่องจากอยู่ใกล้วังก็ให้คนไปนิมนต์ท่านจัพัคขี่มาทั้งหกครูมุนแล้วก็ถวายน้ำอ้อยงบด้วยความเค า, า, ารพนขณะเดียวกันก็ฝากไปถวายพระพุทธเจ้า ก็ทำมองรายงานนะฮะรายงานว่าพระบัญญัติพระชักราชรดิไปทำอะไรมาเมื่อเอาน้ำเงงบไปถวายพระเจ้าก็ต้องรับสั่งถามมาทำไมข้าไปทำไมในวังท่านหล่อนต้องเล่านะฮะเล่าเรื่องก็ออกนั่นคือแสดงให้เห็นว่าท่านก็ไม่ได้คิดเล็งอะไรคิดเลี่ยงผลเลิศ ก็ชาักีหรือพระจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จับวางได้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วใจมันจะเกิดเป็นปาฏิค่ะม่ตามจะอยู่ไม่ได้ผมไม่ตาอยู่ไม่ได้แล้วจะไปเลยจนถึงกระถอยห่างจากศาสนาเช่นการกำหนดว่าพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักพิจารเนี่ยมักจะมองแนว น, นี้อยู่มา มองพระสงฆ์เป็นโรภุตศาสนาถึงถือว่าเป็นความมองการมองที่ผิดพลาดนะั่นแท้จริงแล้วพระสงฆ์ก็เป็นแค่หนึ่งในกลุ่มพุทธบริษัทและจํานวนก็เล็กน้อยเท่านั้นเองพุทธบริษัทมันก็มีทั้งสี่บริษัทถือว่าแม้จะขาดพิษุนีไปก็ตามก็ถือว่าพุทธบริษัทควายกฤหัตมันก็มีมากกว่าควายสงฆ์ประการต่อไปก็คือเจริญสังฆคุณ ก็อะไรก็ได้นะฮะสุปฏิปโนโสุปฏิปโนโสวาขาตุไอสุปฏิปโนชุปฏิปโนยยัปฏิปโนสามีจิตปิติโนโหรือสังโคสังโคก็แนวพุทโทธธรมโสังโคเราจะเห็นว่าในแนวของขวัญกำลับบงใจก็มีอย่างที่ทรงแสดงไว้ในไตรชกสูตรเล่ามานานและหลายปี ที่ว่าเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งเป็นสถานที่ป่าเปลี่ยวมีภาพอะไรน่าสะพรึงกลัวมีเสียงสะพรึงกลัวเคยพิสูจน์เหล่านั้นน้อมใจรำลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าน้อมใจถึงพระพุทธคุณแล้วยังไม่หายก็รำลึกถึงพระธรรมรำลึกถึงพระธรรมยังไม่หายก็รำลึกถึงพระสงฆ์ อาการหวาดกลัวสะดุ้งขนพองสยองกล้าก็จะหายไปนี่เป็นระดับขวัญกำลังใจเราไปจากความหวาดกลัวออกไปจากใจแต่เนื้อหาหลักจริงๆก็คือการพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ตรงให้ดีให้ตรงให้เป็นธรรมให้สมควรเพราะทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยฮะ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระริยาสงหรืออะไรก็ตามสรุปแล้วในการปฏิบัติความเกิดเท่านั้นคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติปตเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพียงแต่ว่าระรยะบุคคลท่านสมบูรณ์เท่านั้นเองสา่ประชนเราก็ต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบนั้นเพียงแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์อาจจะมียิ่งมีหยอดกันอยู่แต่อยู่ในกรอบตรงนี้ว่า เป็นการปฏิบัติที่ดีมีการขัดเกลาวิตใจมีกิเลสลดน้อยถอยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออายุมากขึ้นเนี่ยกิเลสต้องลดลงนั้นเป็นสูตรคือเรียกว่าถ้าพระทะ่านไดว่าเถระคือมั่นคงหนักแน่นขึ้นไม่จะอ่อนไหวเชื่องง่ายโกรธง่ายขี้โลภคี้ริษยาขแข็งดี แต่ว่าใจิตใจมีความประนีตไม่เป็นการชดเชยจะเชยความเสื่อมของร่างกายความสวยงามจากภายนอกเนี่ยมันเป็นการชดเชยเพราะภายนอกนั้นเราหยุดเขาไม่อยู่มันต้องเสริมภายในคืองามที่น้ําใจอย่าี้พูดถึงความงามสามสี่ระดับถือว่า งามในเชิงของการตกแต่งประดับประดาร่างกายงามในคนที่เป็นรูปร่างงามระดับศีลระดับมัญญาทั้งงามระดับจิตใจสมมตเราจะเห็นว่าความงามระดับเสื้อผ้าพแพร่พันกับความงามรูปร่างสุดสรงเนี่ยเสื้อผ้าพแพร่พันมันก็อยู่ฐานะทางเศรษฐกิจปัจจุบันรูปร่างสุดทรงมันอยู่ที่บุพกรรมหรือกรรมที่เรากระทาไว้ในอดีตคนเกิดมารูปร่างมืนไม่เหมือนกั น, น การที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีความสะสวยที่ทรงแสดงวสุวรรณตามีผิวสวยงามสุสัรตามีเสียงไพเราะสุสันทานางมีสวดทรงดีสุรูปรตามีรูปงามเนี่ยต่อถึงความเป็นใจเนื้อคนอื่นก็เป็นเรื่องของบุญเจนิธิเป็นขุมทรัพย์คือบุญที่เราทําไว้ไม่เหมือนกันตกลงว่าตรงนี้มันก็ถูกบีบบังคับโดยเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจกับเงื่อนไขาทางอดีตกับ ในประการที่สองเรียกว่ารูปธรรมน้ำธรรมมันก็แก้กันไม่ได้แต่วความงามระดับศีรนั้นเป็นความงามที่เราน้อมนํามาปฏิบัติได้แล้วเขาจะไม่สนใจเสื้อผ้าแพรพันไม่สนใจรูปร่างสวดทรงแต่สนใจความเป็นผู้ ด, ดีความเป็นผู้ผมีศีลพอถึงจิตใจแล้วเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเรื่องรูปกับเรื่องสุดทรงเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจเราจะเห็นว่า หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายเราชื่นชมในความเป็นคนอนาถาของท่านเราชื่นชมกับสมเด็จเจ้าแตงโมที่เมืองเพชรบุรีเป็นเด็กอนาถาไรร่อนจรจัดไม่มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยเกิดหิวโหยขึ้นมาก็ดำลงไปในแม่น้าเพชรบุรีเห็นเปลือกแตงโมลอยมาก็คว้ามับก็ไปแล้วก็ก้มดำลงไปกิน ใ, นใต้แม่น้า กลเป็นคนฉลาดปราดเปลืองแตกชัดในพระใจปีตุกแล้วเราก็ชื่นชมที่จะพูดถึงประวัติของท่านมันแสดงเห็นว่าโดยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยปมด้อยในอดีตกลายเป็นปมเด่นที่นํามาเช่วชูนํามายกจองเราชื่นชมกับพระองค์ุลิมาศที่ท่านชูเจตีดีเจถนมาเราชื่นชมด้วยพระราธะ ท่ท่านเป็นคนแก่รด้ร่อนจรจะไม่มีใครดูแลใจใสแล้วก็บวชมาแล้วเป็นพระหันชื่นชมในพระอุบาลีที่เป็นคนใช้ของพวกสักยะแต่วก็บวชมาแล้วบรรุมกคนเป็นพระหันกลายเป็นภระาสังคีติกาจา์มีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนาทั้งในยุคพุทธสมัยและหลังจากพระอาจารย์นิพพานไปแล้วจนกลายเป็นอุบาลีวง พอสืบสาวไปดีก็ประวัติก็เป็นคนใช้เขาลาักษณะเล่านี้เราจะเห็นได้ <c oughs> ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดของความงามระดับศีลกับระดับปัญญาเนี่ยมันจะไปลบปมด้อยอะไรแต่อะไรต่างๆหมดรูปร่างสถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองอะไรเนี่ยใครจะไม่สนใจก็จะดูที่ศีลก็ดูที่ธรรมะ แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสกว้างให้กัคนทั้งหลายคือไม่ถูกบีบด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจกับทางบุญในกระทำไว้ในการก่อนอย่างสองข้อแรกเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ประกอบกันทั้งสองอย่างนะฮะสมมุติว่าเรามีบุญในการก่อนทำให้รูปร่างหน้าตาดีแต่ว่าฐานะเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ยุ่งนิดหน่อยแา่ปกติแล้วพวกนี้จะอิงอาศัยกัน แต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เปิดโอกาสกว้างแก่คนทั้งหลายเพราะการได้สถานะทางเศรษฐกิจทางทางสังคมจะมีคนจํานวนไม่มากแต่ถ้าได้มาจากการมีศีลมีธรรมะมันเปิดโอกาสกว้างให้แก่คนทุกคนและการพยายามปฏิบัติให้ตรงต่อ ต่อศีลต่อธรรมต่อตนเองต่อบุคคลอื่นอย่างน้อยก็ไม่อยู่ในประเภทที่เรียกว่าหน้าไายหลังหลอกเราเห็นว่าพวกนี้จริงๆก็เป็นการยืนยันกันอย่า ง, งที่ทรงกำหนดคุณสมบัติของอุบาสกไว้ว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเกียรติบุญในพระพุทธศาสนากว่าทีา่ยาว จริงๆแล้วมันเป็นการสะท้อนศรัทธาหมายความว่าถ้าเธอมีศรัทธามั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์แล้วเธอจะเป็นผู้มีศีลเด่งได้เชื่อในกรรมเองเพราะกรรมศรัทธาคือเชื่อในกฎของกรรมเองและจะรู้ว่าควรทําบุญเพื่อหวังผลกับการสงเคราะห์นุเคราะห์นั้นแตกต่างกันอย่างไงไม่ได้ห้ามการสงเคราะห์นุเคราะห์นะฮะแต่ว่าพูดถึงการทาบุญประเภทที่เรียกว่าทักษินายบุคคล ของการจะเลือกคนมาเราต้องการจะให้ทานจะส่งเสริมสนับสนุนท่านในด้านจตุปัจจัยเนี่ยเราก็ดูคนที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติปตปตเป็นธรรมเป็นหลักถ้าเรานี้จึงไม่แสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาแต่จะแสวงหาเกศบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาส่วนการสมคบะนเค็ ง, งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในตรงนี้ก็เหมือนกัน หมายความว่าป ร, ป, ร ป, รประเด็นสำคัญอยู่ที่เรามีศรัทธาหรือมีปัญญาถ้ามีทั้งสองข้อก็ดีแม้ไม่มีทั้งสองข้อก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จนถึงก็มีความเชื่อมั่นในใจสิกขาวสีธรรมวสีลรมาที่ปัญญาหรือานสี เป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราใหมีความประนีตขึ้นมีความสะอาดเพิ่มขึ้นมีความสงบเพิ่มขึ้นจิตใจมีความสว่างขึ้นในตราบใดที่ใจสิขายังมีอยู่เรยมักมีองแปดประการยังมีอยู่สำนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระยะบุคคล ตามนัย่าที่พระเจ้าส่งแสดงและก็รับองไว้เกศท่านสุภะทะปริภาชกที่ไปการาบทูลถามพระองค์เมื่อก่อนจ ะ, สะเสด็จดับขันตะเป็นิพพานนญยาเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าเป็นการแสดงสิ่งที่เลิศพระุทธเจ้าพระรรมประสงแล้วก็ใจสิกขา มันเป็นหลักชุดเหนียวทางใจแต่การปฏิบัติที่หมายความว่าถึงท่านจริงๆหรือถึงสมบูรณ์ไม่ไม่ไม่ถูกโยครอนในหวั่นไหวนั้นมันก็เข้าไปสู่หลักอีกสูตรหนึ่งซึ่งคือพูดมานานแล้วเรียกว่าโสตปฏิยังคั หมายความความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นในใจศีขานั้นมันมีพลานุภาพในการขาจัดกิเลสประเภทโมหะออกไปจากใจทาให้ท่านไม่ถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาไม่มีความเครียบแกร่งสงสัยในคุณของรัตนตรัย รูละการปฏิบัติถือมั่นด้วยศีลในวัดต่างๆลงไปเราทำให้ท่านเป็นพระยะบุคคลระดับที่เรียกว่าโซนดพัธ์ผลที่ปรากฏแก่จิตของท่านจึงมีทั้งปัญญาที่เราเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือมีทิฏฐิสมบูรณ์คือทั้งศรัทธาที่เรียกว่าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ในใจ ส, สิขา แต่ผลที่ลดหลั่นกันลงมาก็คือถ้าสามารถขจัดความไม่เชื่อความเครื่อแปรงสงสัยในพ ร, ระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจติฆาลงไปได้ความผองใสาภายในจิตก็จะบังเกิดขึ้นและถ้าจิตนั้นยังผ่องใสอยู่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าก่อนจะตายก็ตามก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขความสุบ ตายไปก็มั่นใจได้ว่าไม่ต้องกลัวต่อประโลกคือจะบิดประตูออกไปได้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องตายด้วยใจที่พ่องใสวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยปูในธรรมต้งมีในท่ า, ทานสายสุดนังหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ